มันควรจะเป็นร่างใหม่ที่สมบูรณ์สวยงามเอาล้นะฉันจะเรียกกลุ่มผู้ช่วยเหลือจากเบื้องบนให้มาพาวิญญาณของเธอไปสู่ความสุขเธอจงไปกับเขาเซียและจะได้พ้นทุกเสียทีพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกเรียกกลุ่มของวิญญาณของผู้ช่วยเหลือจากเบื้องบนให้มารับวิญญาณของเกรซเชนไปสู่สุขติ